จเจริญพรทุกทุกท่านหลวงพ่อเคยมาเทศที่นี่ครั้งหนึ่งละใครได้มาฟังบ้างครับก่อนได้เอาไปทำไหม <c oughs> ฟังเฉยๆไม่ได้เอาไปไปฏิบัติก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรธรรมะของพระพุท ธ, เ, ธเจ้านะไม่ใช่ธรรมะที่เราจะอ้อนวอนร้องขอ อย่าเมื่อกี้เราก็บอกพุทธโธเมนาโธธรมโมเมนาโธสังโฆเมนาโธพระพุทธรธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจะเป็นที่พึ่งได้ถ้าเราพึ่งตัวเองได้กว่าใจเราจะเข้าไปถึงพระรัตนตรัยได้จริงๆเนี่ยเราต้องได้ธรรมะก่อนอย่าถ้าเราเป็นบุตรชนเราก็ได้แต่ปฏิญาณมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรนารณะเป็นที่พึ่ง เอาเข้าจริงยังพึ่งไม่ได้เราไม่รู้จักมาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์งจริงๆเป็นยังไงวาดภาพพระพุทธเราก็วาดภาพพระพุทธรูปเราก็ไปขอหลวงพ่อองค์โน้นหลวงพ่อองค์นี้ถ้าช่วยเราเราจะปิดปองเราจะถวายโน้นถวายนี้เราจะรำละครให้ท่านดูอะไรเนี่ยยังกะท่านอยากดูเนีะ่ยะ <c oughs> บางอง์ท่านรีบช่วยเลยท่านจะต้องรีบหลับหหลับตา <c oughs> ที่พึ่งของเราไม่ได้พึ่งกันแบบนั้นหรอก เรามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งเพราะท่านคือผู้คนพบทางสายเอกเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วท่านก็เอามาสอนพวกเราถ่ายทอดธรรมะออกมาถ้าท่านถ่ายทอดธรรมะออกมาแล้วเราก็ต้องลงมือปฏิบัติสักฟอกใจของเราจนวันหนึ่งใจของเราเป็นพระสงฆ์คําว่าพระสงฆ์พระสงฆ์สาวกสังโฆนี้ คู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษโสดาสกทาคานาคาพระรหัน์เรียกสาวกสังโคถ้าไม่ได้ใช้คําว่าพี่กูสังโคงั้นอย่างพวกเราเป็นฆรวาสเราไม่ได้ไปบวชกรองจีวรเราก็สามารถเป็นสาวกได้ถ้าใจของเราเข้าถึงธรรมะเราภาวนานได้พระโสดาบันเมื่อไหร่ใจเราแหละเป็นพระละเรียกว่าพระโสดาบัน ทางทางี่เรายัางไม่ได้บวชนะไม่ต้องแต่งเครื่องแบบพระมันก็เป็นพระในัแหละใจที่เข้าไปสู่ความเป็นสาวกได้อย่างแท้จริงเป็นพระสงฆ์ที่แท้จริงนะมีธรรมะอยู่ในใจเราเรามีพระพุทธเจ้าเป็นาศาสดาของเรายัางไม่กร่อนแกลนอีกต่อไปถ้าได้พระโสดาบันแล้วนั่นแหละเราจะมีที่พึ่งที่แท้จริงคนปุถุชนนะไม่รู้จักหรอกว่าจะพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้อย่างไงพึ่งพระสงฆ์อาจจะเป็น ขอข้าวพลากินอะไรเงี้ย น, นะมันคนละเรื่องกันนะถ้าใจของเราเข้าถึงธรรมะนะใจเราเข้าถึงความเป็นประสงค์เราเข้าถึงความเป็นพุท ธ, ธะใจของเราเป็นอย่างนั้นนะใจเราจะไม่ทุกข์ไม่ใจเราไม่ทุกข์ไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นนะใจเราไม่ทุกข์เพราะใจเราเข้าถึงพระพุทธรธรรมพระสงค์แล้วนี่ต้องมาฝึกอยู่ๆมันไม่ถึงหรอกจะมาอ้อนวอน ไหว้อ้อนวอนอ น, นะกลับไหว้ขอให้ถึงไม่ถึงหรอกนั่นชาวพุทธไม่ใช่พวกนักอ้อนวอนเราต้องตั้งอกตั้งใจเรียนสิ่งที่พุทธเจ้าสอนแล้วลงมือปฏิบัติให้ได้การปฏิบัติธรรมนั่นก็คือการพัฒนาจิตใจของเราเองเราจะพัฒนาใจของเราได้นะเครื่องมือที่พุทธเจ้าให้ไว้มีสามตัวคือพัฒนาเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญา ถ้าหลุดออกนอกกรอบนี้ไปก็ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วอย่างจะไปเส้นสวงวงสวงสังเวียนอ่ อ, อนวนอะไรเงี้ยไม่ใช่กรอบเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาแล้วเราต้องเรียนนะต้องอกตั้งใจศึกษาทํายังไงเราไม่เคยมีศีลเราจะมีศีลทําไงเราไม่เคยมีสมาธิเราจะมีสมาธิขึ้นมาทําไงเราไม่เคยเดินปัญญาจะเกิดปัญญาขึ้นมา ถ้าจิตของเราเกิดปัญญาแล้วนั่นแหละเราจะเข้าสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นเราจะเป็นพระสงฆ์ตัวจริงขึ้นมาจะบวชหรือไม่บวชไม่สําคัญหรอกสําคัญว่าจิตนั้นได้เป็นพระสงฆ์แล้วผู้หญิงก็เป็นได้นะอย่างตุ ว, วันนี้ผู้หญิงไปบวชเป็นภิกษุณีเป็นไม่ได้แล้วมันขาดไปแล้วขาดช่วงไปแล้วมาบวชเอาเองมันก็ไม่เป็นขึ้นมาหรอกแต่ว่าเราจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้ไหมเป็นได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนั่นแหละถ้าใจเข้าถึงทำเส้นเดียว ดังสิ่งที่เราจะต้องเรียนให้มากนะทำยังไงเราไม่เคยมีศีลจะเกิดศีลไม่เคยมีสมาธิจะต้องมีสมาธิไม่เคยเกิดปัญญาจะเกิดปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาเนี่ยเป็นธรรมะฝ่ายกุศลธรรมะฝ่ายกุศลเนี่ยมีเครื่องมือสําคัญอยู่อันหนึง่งคือคำว่าสติถ้าเราไม่มีสติเราก็ไม่มีศีลถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิไ ม, มมาธไม่มีสติไ ม, ไม่เกิดปัญญาเรื่องสติเป็นเรื่องใหญ่ต้องเรียน พระพุทธเจ้าสอนเรื่องสติเอาไว้ในเรื่องสติปัฏฐานเคยได้ยินไหมใครเคยใครไม่เคยได้ยินคำว่าสติปัฏฐานเลยมีไหมเคยได้ยินทุกคนแน่นะอย่ามาอํากันนะเดี๋ยวจะลองถามนะเอาสักคนดีไหมถามเรื่องสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าท่านสอนนะบอกว่าสติปัฏฐานเนี่ยเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นสติปัฏฐานเนี่ยเป็นการฝึกตัวเอง ฝึกเบื้องต้นให้เกิดสติเบื้องปลายฝึกให้เกิดปัญญานะวิธีที่เราจะมาฝึกให้มีสติสติไม่ใช่อย่างที่ชาวโลกเขาเข้าใจกันอย่างไปเขียนไว้ข้างขวดเหล้านะบอกว่าดื่มสุราทําให้ขาดสติอะไรเงี้ยนะอันนั้นสติธรรมดาไม่ใช่สติปัฏฐานสติที่จะทําให้เราเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เป็นโสดาสกตาคานาคาเป็นพระอรหันต์ได้ต้องเป็นสติปัฏฐาน สติปัฏฐานมันต่างกับสติธรรมดาตรงไหนสติปัฏฐานไม่สติที่ระลึกรู้กายระลึกรู้ใจของเราเองถ้าไประลึกร it ู้สิ onion, down, oren, ่งอื่นนะก็ไม่เร really in ียกว่าสติปัฏฐานอย่างถ้าเราคอยระลึกอยู่ในร่างกายเราร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกร่างกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกเนี่ยถ้าหายใจออกหายใจเข้าเรารู้สึกตัวอยู่เรียกว่าเราเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานอันนี้เป็นไปเพื่อความมีสติ สตินั้นเป็นองค์ธรรมอย่างหนึ่งนะทำหน้าที่รู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายมีอะไรเกิดขึ้นในใจนี้สติจะเกิดได้เนี่ยอยู่ๆเราสั่งมันมันไม่เกิดหรอกสติจะเกิดได้ตอเมื่อเราทำเหตุให้เกิดสติการที่จิตจะสามารถจำสภาวะได้แม่นนะกั้งสภาวะได้แม่นสติจะเกิดน้สติเนี่ยมันรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่ถ้ามันจาสภาวะไม่แม่แมน สภาวะอ น, นั้นมามันก็ไม่รู้หรอกว่ามาแล้วดังนั้นหน้าที่เราเนี่ยหัดรู้สภาวะให้มากๆากบางคนพุทธเจ้าสอนให้ทํากายานุปัสนาสติปัฏฐานให้คอยระลึกรู้ร่างกายบ่อยๆหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเนี่ยอันนี้เรียกว่าอนาปนสติบปปะหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกรู้สึกก็แค่ว่ามันไม่ใจลอยไปนะ เ, เห็นร่างกายหายใจอยู่ขณะ น, นี้ร่างกายเราหายใจอยู่รู้สึกไหม อย่าไปดูลมหายใจนะอย่าไปดูที่ตัวลมหายใจให้เห็นร่างกายกําลังหายใจอยู่พระเจ้าสอนง่ายๆนะภิกษุทั้งหลายให้เธอคูบันลังคูบันลังคือนั่งกัดสมาธิพวกเรานั่งเก้าอี้ก็ได้ทําไมท่านสอนให้นั่งกัดสมาธิเพราะคุ้มยุกน้นไม่มีเก้าอี้จะนั่งนะนั่งกับพื้นท่านก็ต้องนั่งกัดสมาธิดีกว่านั่งพับเพียบหรือนั่งยองๆยองยเพระคุณ น, นะนั่งได้ไม่นาน มันบอกู่บันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าหายใจออกยาวรู้ว ouais. ่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวรู้ว่าหายใจเข้ายาวใครเป็นคนหายใจออกร่างกายหายใจออกเห็นรู้ว่าร่างกายหายใจออกรู้ว่าร่างกายหายใจเข้าอย่าไปรู้ลมหายใจนะถ้าอยู่ๆก็ไปจ้องใส่ลมหายใจจะเป็นสมถะอมตะเลยเป็นการเพ่งลมเพ่งลมจะได้กสินลมนะกลายเป็นสุดท้ายลมจะดับเป็นแสงกลายเป็นกสินไป เป็นสมนถะไปเฉยๆให้เราจะมาฝึกให้มีสติเราไม่ได้ฝึออกเอาสงบเต่ฝึกให้สติเกิดขึ้นหายใจออกคอยรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกต่อไปเวลาเราเผลอเนี่ยไม่เจตนาจะรู้สึกอย่างเราพอกโกรธขึ้นมาพอกโกรธปุ๊บเนี่ยจังหวะการหายใจมันจะเปลี่ยนนึก อ, ออกไหมเวลากโกรธเนี่ยลมหายใจมันแรงหรือเวลาเกิดราคาแรงๆนะลมหายใจมันแรงมีจังหวะมันเปลี่ยนแค่ลมหายใจเปลี่ยนจังหวะนะสติมันจะเกิดเองมันจะรู้ว่า เนี่ยล ม, scores, ม jog, หายใจมันผิดปกติไปแล้วจะรู้สึกมันผิดปกติไปแล้วงั้นเราค่อยมาฝึกนะเห็นร่างกายหายใจออกเห็นร่างกายหายใจเข้าฝึกไปเรื่อยๆถ้าไม่ชอบรู้ร่างกายหายใจออกหายใจเข้ารู้สึกว่ายุ่งเกินไปจะมารู้ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนก็ได้ถ้าเรารู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนเรียกว่าอิริยาบถบพรู้อิริยาบถสีนะถ้าบางคนรู้สึกว่ายืนเดินนั่งนอนยืนก็รู้สึกเดินก็รู้สึกนั่งก็รู้สึกนอนก็รู้สึกเนี่ยยังไม่ชอบใจ อาจจะรู้สึกว่าร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกเนี่ยเอาลองยิ้มสิยิ้มทุกคนลองยิ้มหวานๆนะทดลองรู้สึกไหมตัวเองกําลังยิ้มเนี่ยเรารู้ยังไงทําไมเรารู้ว่าร่างกายยิ้มเรารู้ได้ใจเรานะด้วยความรู้สึกอ่ะเราไม่ได้เอากระจกมาส่องไม่ได้มาตาไปดูหรอกเรารู้ตอนนี้พยักหน้ารู้สึกไหมเนี่ยร่างกายมันเคลื่อนไหวร่างกายพยักหน้าร่างกายมันยิ้มลองขยับหน้าซิแก้งง่วงเนี่ยลองขยับช้าๆนะ ขยับไหมเห็นร่างกายมันขยับไหมเนี่ยหัดอย่างนี้ไปอย่างนี้เรื่องว่าสัมปชัญญะบวพะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้ร่างกายหยุดนิ่งก็รู้เนี่ยร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งอะไรก็ได้ในสติปัฏฐานที่พระพุทธเจ้าท่านให้ไว้เนี่ยอย่างสายในหมวดกายนะง่ายๆที่ทุกคนดูได้ง่ายๆนะหายใจออกเห็นร่างกายหายใจออกรู้สึกตัวร่างกายหายใจเข้ารู้สึกตัวอย่างนี้ก็ใช้ได้ ร่างกายยืนร่างกายเดินร่างกายนั่งร่างกายนอนรู้สึกตัวอย่างนี้ก็ใช้ได้ก็รู้สึกได้ทั้งวันละทั้งวันเรามีแต่หายใจออกหายใจเข้าใช่ไหมถ้าหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้าก็รู้สึกก็รู้สึกได้ทั้งวันละทั้งวันก็มีอิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนถ้าอิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตัวได้ก็รู้สึกได้ทั้งวันละทั้งวันก็มีแต่ความเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดนิ่งเคลื่อนไหวแล้วก็หยุดนิ่งถ้าเคลื่อนไหวก็รู้สึกหยุดนิ่งก็รู้สึกเราก็รู้สึกได้ทังวนละ ตัวที่คอยรู้ทันนะร่างกายเคลื่อนไหวเรารู้ร่างกายเคลื่อนไหว ร, รู้ตัวสตินี่แหละเป็นคนรูนะ้รู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงในร่างกายเราอีกอันหนึ่งที่ทําได้ง่ายนะก็คือจิตตานุปัสสนาเนี่ยในตําราเราสอนไว้เลยกายานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาสองแบบเนี้ยสองหมวดเนี้ยเหมาะกับพวกที่อินรียอย่างอ่อนหน่อนะถ้าเวทนานุปัสสนาดูสุขทุกข์นะการทำมานุปัสสนาเนี่ยดูสภาวะรูปนามจริงๆเลยนะ ดูยากกว่าอย่างเราร่างกายหายใจออกรู้สึกให้ายใจเข้ารู้สึกไม่เห็นจะมีอะไรเลยง่ายๆใช่หไหมเราคอยรู้ใจก็ได้ถ้าคนไหนขี้มโมโหนะเราก็ใช้จิตตานุปัสสนาเพื่อให้มีสติคนไหนในห้องนี้ขี้มโมโหบ้างยกงเมือซื้อคนไหนขี้โลภเจออะไรก็อยากได้เห็นเมียชาวบ้านก็ชอบอย่างเงี้ยนะคนไหนฟุ้งซ่านเก่งย้งเมือซื้อฟุ้งซ่านเนี่ยเยอะที่สุด ถ้าเรามีกิเลสตัวไหนรุนแรงนะเด่นชัดแล้วเรารู้ได้นะเราเอากิเลสตัวนั้นมาทํากรรมฐานนะจิตตานุปัสสนาเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไม่มีกิเลสนะจิตตานุปัสสนาเนี่ยบอกดูกราภิกสูตทั้งหลายจิตมีราคะให้รู้ว่ามีราคะนะพวกขี้โลภอะเจออะไรมันก็โลภหมดเจออะไรมันก็มีราคาหมด เห็นอันนี้ก็อยากได้ได้กลิ่นอย่างนี้ก็ชอบนได้รถอย่างนี้ก็ชอบสัมผัสแบบนี้ก็ชอบนั่งอยู่คนเดียวคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ก็ชอบอีกนะคิดถึงคนอื่นก็ชอบเพิาออีกอะไรเงี้ยเห็นนั้นมือถือของคนอื่นก็อยากได้องเนี่ยเนี่ยอย่างนี้ยพวกขี้รอบพวกขี้รอบหน้าตามองเห็นก็รอบหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายก็ชอบสัมผัสใจคิดนึกก็มีแต่รอบทั้งนั้นเลยรอบเกิดปล่อยถ้านี้ใส่ขี้รอบเนี่ยเราก็ใช้ความขี้รอบของเรานี้แหละมาทํากรรมฐานให้มีสติ ต่อไปนนี่ใจมันโลบขึ้นมารู้ทันรู้เฉยเฉยไม่ต้องห้ามนะดูกราภิกสูทั้งหลายจิตมีราคาให้รู้ว่ามีราคาจิตมีราคาขึ้นมาแล้วเรารู้ว่ามีราคาไม่ใช่ห้ามมันนะมีได้แต่มีแล้วให้รู้โกรธก็ได้ดูกราภิกสูตทั้งหลายจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะจิตไม่มีโทสะรู้ว่าไม่มีโทสะจิตโกรธขึ้นมารู้จิตหายโกรธก็รู้โกรธอีกรู้อีกหงุดหงิดขึ้นมาก็รู้หายหงุดหงิดก็รู้ เนี่คนไหนมีกิเลสตัวไหนเด่นเอาตัวนั้นแหละหรือถ้ามีอยู่ตัวหนึ่งที่หลวงพ่อตอนหลวงพ่อหัดเองนะเล่นคือจิตหลงจิตหลงไปหลงไปคิดนี่แหละจิตไหลไปคิดปุ๊บเรารู้ไหลไปคิดปุ๊บเรารู้นี่คือจิตฟุงซานะจิตเป็นโมหะจิตไหลเรารู้ปุ๊บปุ๊เงี้ยถ้าไหลไปเราเรารู้นะการไหลนั้นขาดสะบันน้นลงเลยจิตเรารู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาเลยตอนนี้เป็นวิธีที่ดูเดือดหน่อย นะถ้าทําได้นะกรรมฐานจะง่ายไม่ราคาโทสะเนี่ยไม่มีช่องให้ทํางานคนจะมีราคาได้นะต้องหลงก่อนต้องมีความหลงนะถ้าไม่หลงเนี่ยไม่มีราคาต้องหลงถึงจะมีโทสะถ้าไม่หลงก็ไม่มีโทสะงั้นถ้าจิตมันไหลไปปุ๊บเรารู้เนี่ยจิตนหลงไปเรารู้ปุ๊บความหลงจะขาดสะบั้นลงนะเคยเรียนอภิธรรมกันบ้างไหมจิตที่เป็นกุศลนะกับอกุศลเนี่ยไม่เกิดด้วยกัน กุศลก็ส่วนกุศลอาุศลก็ส่วนอาคุศลเมื่อไหรามีสตินะเมื่อนั้นไม่มีอาคุศลเพราะสติเกิดเถิดจิตที่เป็นกุศลอย่างเดียวนะเกิดเถิดจิตที่เป็นกุศลเท่านั้นแหละงั้นเราคอยหัดรู้ทันอย่างจิตมันหลงไปที่แน่จิตมันฟุ้งซ่านมีโมหะจิตหลงปุ๊บเรารู้ว่าหลงจิตจะตื่นขึ้นมาฉับพลันจิตหายหลงแล้วทันทีที่รู้ว่าหลงมันเลิกหลงแล้วนะจะรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วต้องหัดนะต้องซ้อมทุกวันทุกวั น, ท, วนทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่ง หัดฟุตโธก็ได้หัดรู้ลมหายใจอะไรก็ได้นะแล้วจิตไหลไปคิดรู้ทันจิตไหลไปคิดแล้วรู้ทันหรือว่าทํารู้ลมหายใจอยู่จิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันไปเดินจงกรมจิตไหลไปอยู่ที่เทา้ารู้ทันถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไ ป, ไปไหลมานะ่ะจิตจะไม่ไหลโดยที่ไม่ได้บังคับถ้าจิตไหลไปแล้วเราไม่รู้อันนี้หย่อนไปถ้าจิตจะไหลเราไม่ให้ไหลหรือไหลแล้วไปดึงคืนอันนี้ตึงเกินไปทําง่ายๆ หลงเรารู้หลงเรารูนะมันเหมือนกันโบโลบเราลูโบลบเราลูโกรธเรารูโกรธเรารู้ตัวไหนก็ได้นะใช้ตัวไหนก็ได้ที่เราดูได้ดูสบายๆอย่าไปทําใจแข็งอย่างนี้นะคนผมยาวๆนั่นนะแข็งไปอย่างนี้แมว อ, นะอย่าทําอย่างนั้นมันไม่เจริญสติอะไรหรอกมันแข็งเกินไปตึงตึงเกินไปใช้ใจที่ธรรมดาอย่างเมื่อกี้หลวงพ่อชี้ทางนี้รู้สึกไหมใจของเราโฉกไปหาเขาเลยรู้สึกไหมเนี่ยใจมันหลงใจ พับชี้คนนี้ปุ๊บนะทุกคนไปหมดเลยที่เดียวกันเนะี่ยใจมันจะโดดปุ๊บไปหาคนอื่นเขาเลยนะถ้าเรารู้ว่าใจมันหลงเนี่ยใจมันจะตื่นในฉับพลันเลยภาวะแห่งพุทธะคือความรู้ความตื่นความเบิกบานจะเกิดโดยอัตโนมัติแลง้นต้องฝึกนะทํากรรมฐานมาสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันใจที่หลงไปไหลไปหรือถ้าดูตัวนี้ไม่ได้ขี้โกรธก็ใจหงุดหงิดขึ้นมารู้รู้หงุดและเรารู้นะก็จะเห็นหงุดหงิดอยู่ชัว่วคราวแล้วก็หายบางคนที่สงสัย ที่สงสัยฟังอะไรก็สงสัยหมดเช่นคนนี้เป็นตน้นนะผมยาวเนี่ยฟังแล้วงงทงงงแล้วกคิดไปเรื่อยนะถ้าสงสัยให้รู้ว่ากําลังสงสัยเหมือนโกรธเรารู้ว่ากําลังโกรธอ่ะเราจะเห็นเลยความสงสัยขาดสะบั้นไปต่อหน้าต่อตาเลยนะกลายเป็นจิตที่ไม่สงสัยขึ้นมานะจิตที่ลางเลจิตที่สงสัยเป็นจิตมีโ ม, มหนะนี่ยเราค่อยค่รู้นะฮัดดูไปอย่างนี้เรียกว่าจิตตานุปัสสนารู้เพื่ออะไรรู้เพื่อต่อไปไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในจิต เราจะรู้ได้เองโดยไม่เจตนาจะรู้ถ้ารู้โดยไม่เจตนาจะรู้ได้ว่าสติตัวจริงเกิดล้อย่างแล้วบางคนดูไกลใช่ไหมหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกต่อมาหลงไปพลลมหายใจเปลี่ยนรู้สึกละเนี่ยรู้สึกโดยไม่เจตนารู้สึกหรือยืนเดินนั่งนอนหรือเคลื่อนไหวแล้วรู้สึกนะเราโมโหโกรธมากๆจะตบคนสักคนนะมือมือเคลื่อนไหวสติเกิดเลยรู้เลยว่ากําลังโกรธอยู่รู้ร่างกายรู้จิตใจ ความโกรธก็าขาดสบั้นไปเลยตัวนั้นต้องฝึกต้องฝึกให้มีสตินะมีสติก็คือร่างกายเคลื่อนไหวรู้ได้โดยไม่เจตนาจะรู้จิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้ได้โดยไม่เจตนาจะรู้สิ่งเหล่านี้อ้อนวอนเทวดาให้มาช่วยก็ช่วยไม่ได้หรอกนะจะขอถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งพึ่งไม่ได้หรอกนะต้องฝึกเอาเองพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งคือท่านสอนให้เราต้องเดินเอาเองนะต้องช่วยตัวเองไม่ใช่ให้ใครมาช่วยเรา ไม่งั้นพุทธเจ้าฮิ้วเราไปนิพพานหมดแล้วล่ะท่านยังบอกว่าท่านเป็นแค่ผู้บอกทางนั้นเราจะพุทโตเมนาโธอะไรก็ไม่เป็นไรหรอกนะไม่ใช่พอพระหันมาเห็นเราแล้วพระก็โถนะไม่มีนาโถโถอย่างเดียวเลยเห็นแล้วโถวอย่างเนี้ยเหรออยากนิพพานนะมีแต่ตูกกิเลสหลอกเพราะไม่มีสติเลยไปฝึกนะ ทำกรรมฐานสัยอย่างหนึ่งรู้ร่างกายเขได้อย่างที่บอกอะ่ะจะรู้ลมหายใจรู้อิริยาบถจะรู้การเคลื่อนไหวหยุดนิ่ก็ได้จะรู้จิตรู้ใจตัวเองก็ได้โลบเพิมมารู้โกรธรู้หลงรู้ฟุ้งซ่านรู้หดหูรู้ไปหัดรู้เอานถนัดอันไหนถนัดดูกายก็ดูกายถนัดดูจิตก็ดูจิตพอเปสติจะเกิดสติเกิดก็คือร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกโดยไมเ่เจตนาพอได้ตัวนี้แล้วเนี่ยต่อไปศีลจะเกิดขึ้นได้ละ ศีลเนี่ยคนทําผิดศีลได้นะเพราะกิเลสครอบงําจิตอย่างคนจะไปฆ่าเขาไปตีเขาไปด่าเขานะไปทําลายทรัพย์สินเค้าอะไรเนี่ยทำด้วยความโกรธได้ใช่ไหมหรือมีความโลภมากก็ไปหลอกลวงเขานะไปทําร้ายเขาเพื่อจะชิงทรัพย์เขาก็ได้ใช่ไหมผิดศีลข้อหนึ่งก็ได้ไปขโมยเขาก็ได้ไปผิดรูปผิดเมียเขาก็ได้หรืออย่างบางทีโลภก็ไปหลอกลวงเขาก็ได้โกรธขึ้นมาก็ทําผิดศีลห้าได้ โกรธขึ้นมาก็ทำร้ายเขาได้ใช่ ไ, ไหมไปแกล้งลักทรัพย์เขาก็ได้เผาบ้านมันทิ้งซะ ก, ก็ได้เขาเกลียดมันอย่างเงี้ยหรือแกล้งไปเป็นชู้กับลูกสาวมันอย่างเงี้ยแกล้งมันทําได้ทุกอย่างแกล้งใส่ร้ายมันผิดศีลได้ทุกข้อเะฉนั้นถ้าถ้าเรารู้ทันนะเราฝึกสติเราอยู่เรืๆนะีต่อไปพอพอโลภเกิดเรารู้ทันความโลภจะดับครอบงาจิตไม่ได้ถ้ามันครอบงําจิตไม่ได้เราจะไม่ทําผิดศีลเพราะความโลภ เราไปความโกรธมันเกิดเรามีสติรู้ทันความโกรธมันจะดับความโกรธจะครอบความจิตไม่ได้เราจะไม่ทําผิดศีลเพราะความโกรธนี่ยเราคอยรู้ทันรู้ทันอย่างนี้นะศีลมันจะมาเองอย่างพวกเราชอบรับศีลเวลามีงานนะัดนี่ขอศีลพระแหลกลานเลยมากันร้อยคนนะขอศีลพระกันคนละห้าข้อหมดไปห้าร้อยข้อเลยพระเลยไม่เหลือศีลเลยนะเพราะโยมพอขอไปหมดแล้วนะไม่ต้องขอใครศีลอนะ่ะ ตั้งใจรักษาศีล5้าไว้ก่อนเบื้องต้นแล้วต่อไปเอามาพัฒนาสตินะกิเลสอะไรเกิดรู้ทันกิเลสอะไรเกิดรู้ทันศีลมันมาเองนะอย่างรอบเกิดขึ้นเรารู้ทันปุ๊บมันก็ไม่ขโมยไข่ละนะง่ายๆแค่นั้เองพราะฉะนั้นอะไรก็ไม่ดีเท่ากับมีสติคุ้มครองรักษาจิตของเรานะไม่ให้มันชั่วศีลมันจะเกิดเองแล้วสมาธิล่ะสมา ธ, มาธิฝึกกันแทบเป็นแทบตายนะรู้สึกยากเย็นแสนเข็ญฝึกแล้วไม่สงบสักที สมาธิง่ายนิดเดียวเลยศัตรูของสมาธิก็คือกิเลสนั่นแหละเคยได้ยินชื่นน อ, นนอนิวรณ์ไหมนิวรณ์ม่เป็นกิเลสนะแต่มันไม่รุนแรงเท่าราคาโทสาโมหะก็เป็นกิเลสเหมือนกันนิวรณ์เป็นความฟุง้งของจิตเป็นความฟุ้งเป็นความกับเพื่มของจิตกระเพิ่มไปด้วยความชอบบ้างัด้วยความเกลียดบ้างนะกระเพิ่มไปด้วยความฟุ้งซ่านบ้างด้วยความลังเลสงสัยบ้างทีก็หมดเรื่ยวหมดแรงเกี่ยวแห้งเฉาลงไปเลยนะ มันเกิดใจที่ก็เพิ่มขึ้นก็เพิ่มลงเท่านั้นเองตรงนี้มันเป็นไปด้วยกําลังของกิเลสถ้าเรามีสติกิเลสไม่มีเดีย๋ยว่าแต่นิวรณ์เลราคะโทสะโมหะไม่มีเลยนะของแรงๆยังไม่มีเลยนิวรณ์เนี่ยเรื่องเล็กมากเลยเวลาใจเราฟุ้งซ่านเรารู้ทั น, นใจเขาหายะเมื่อเราคอยรู้ทันกิเลสไปเรื่อยๆนะกิเลสนั่นแหละศัตรูของสมาธิถ้าเรารู้ทันใจมันฟุ้งซ่านเรารู้ทันใจมันหดหู่เรารู้ทันไม่ต้องไปทําอะไรมัน รู้อย่างที่มันเป็นพอมันไม่มีนิวรณ์นะไม่มีนิวรณ์สมาธิก็ เ, เกิดเองนะคือถ้ามันไม่มีศัตรูของสมาธิสมาธิก็ทํางานได้เต็มที่ที่สมาธิไม่มีเพราะว่านิวรณ์มันครอบงําใจนิวรณ์มันครอบงาใจได้เพราะไม่มีสติรู้ทันว่ามีนิวรณ์อยูนะ่อย่างใจเราคิดถึงคนด้วยความอาฆาตแค้นเนี่ยมีพยาปาทะนะเป็นฝักดันให้เราคิดถึงเขาในทางทางลบทางไม่ดี มันจะเกลือกูนให้โทสะเกิดในชะ่มันจะงอกขึ้นมาเป็นชั้นชั้นที่แรกเป็นนิวรณ์ก่อนพอ น, น, นิวรณ์แล้วเรารู้ไม่ทันมันทํางานที่มาก็ลกลายเป็นราคะเป็นโทสะเป็นโมหะแรงๆขึ้นมาเนี่ยเราคอยฝึกของเรานะต่อไปกิเลสตัวเล็กตัวน้อยเราก็เห็นนะใจเป็นไหวขึ้นมาด้วยความไม่ชอบใจนิดเดียวก็เห็นนะ้แค่นี้นะมันก็ไม่เกิดกิเลสแรงๆแล้วแล้วจิตที่มันกระเพื่อมกระเพื่อมแล้วเราคอยรู้ทันนะมันสงบของมันเองสมาธิง่ายมากสมาธิไม่ใช่เรื่องหญ่อีกต่อไปเลย อยากให้จิตสงบเนี่ยนะมีสติรู้ทันกิเลสลจิตใจไม่มีกิเลสแล้วนะจิตเท่าสงบเองนะของง่ายๆแค่นี้เองแล้วต่อไปเราก็มาฝึกขั้นสุดท้ายฝึกให้เกิดปัญญาเรียนกรรมฐานนะหรือเราเป็นชาวพุทธเนะี่ยอย่าหยุดตัวเองอยู่แค่สมาธินะั้มันต่าต้อยเกินไปเพราะสมาธิมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้านะอย่างบางคนเนะี่ยพิจารณาร่างกายเป็นปฏิคูลอสุภะอะไรอย่างเงี้ย อันี้สมาธินะเรื่องของสมาาถะกรรมฐานถ้าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราจะมาเรียนรู้ความจริงของกายของใจความจริงในร่างกายไม่ใช่โสโครกนะอุจจาระเนี่ยสะอาดหรือโสโครกมันไม่สะอาดมันไม่ได้โสโครกใช่ไหมบางคนชอบอะ่ะนอนชอบนะเห็นแล้วอู้หอมชื่นใจนมาบางตัวชอบหมาบางตัวอู้ได้กลิ่นแล้วน้ำลายหยดติงต๋งๆเลยนะเอาไก่ย่างไปให้กินไม่กินนะ อยากกินอื่ออยนางเงี้ยเพราะั้นกะทั่งอื่นนะที่เราว่าสกปรกนะสัตว์บางจําพวกมันบอกว่าดีเห็นไหมแมงวันบอกว่าหอมหอมเนะี่ยว่าดีเราเปิดจุกน้ําหอมมาแมงวันเคยมาตอบไหมจุกน้ําหอมอะแมงวันยังไม่เอาเลยอนะส่วนเรานี่ดมแล้วดมอีกหลวงพ่อตอนยังไม่บวชเคยไปเหมือนกันนะตามศูนย์การค้าพวกผู้หญิงเนี่ยแหละเชา่าน้ําหอมมาทามือนะแล้วก็ดมไม่อันนี้ไม่เอาอันใหม่นะ ดมไปยี่สิบอันแล้วไม่ซื้อแนละ้วก็ไปตอนดมด ม, ดมนะขาดสตินะขาดสติปฏิกูณาสุภะเนี่ยไม่มีสภาวะธรรมรองรับไฟร้อนเนี่ยความร้อนมีจริงไหมคนถูกไฟร้อนไหมหมาถูกไฟร้อนไหมคนไทยคนจีนถูกไฟร้อนไหมร้อนดังนั้นสภาวะร้อนเนี่ยมีจริงๆิสิ่งที่มีจริงๆเนี่ยก็เรียกว่าสภาวะธรรม โกรธเนี่ยหมาโกรธเป็นไหมหมาโกรธก็ความรู้สึกเหมือนเราโกรธนะะฉะนั้นเวลาเราโกรธมันก็ไม่ต่างกับหมาโกรธนะฝรั่งโกรธคนจีนโกรธนะมันก็ความรู้สึกอย่างเดียวกันเนี่ยมันเป็นของที่มันมีจริงๆนะมันไม่ใช่มีเฉพาะกลุ่มเฉพาะพวกเฉพาะกลุ่มเฉพาะพวกแนละ้วมันสมมติบัญญัติไม่ใช่ของจริงหรอกอย่างปฏิกรูนัสุภาเนี่ยไม่จริงนะแต่อันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยของจริงคนเราเกิดมาหรือหมาเกิดมา ก็ต้องแก่ใช่ไหมต้องเจ็บต้องตายนี่ของจริงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่ของจริงเมื่อเวลาเราดูเนี่ยเราจะมาเรียนรู้ความจริงนะการเจริญปัญญาเนี่ยคือการเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจทำไมต้องมาเรียนรูปนามเพราะรูปนามกายใจเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดว่าคือตัวเราที่แท้จริงรู้สึกไหมร่างกายนี่คือตัวเราในและในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งด้วยเราคนนี้คิดนึกได้ตอนเด็กๆกับตอนนี้คนเดียวกัน ถ้าตายไปนะเราก็คิดว่าไอคนเนี้แหละออกจากร่างนี้ไปเกิดใหม่ก็คนเดิมอีกจะมีเราอยู่คนหนึ่งจริงๆแล้วมันไม่มีหรอกเราจะมาหัดเรียนรู้ความจริงจนกระทั่งเพราะว่าตัวเราไม่มีเมื่อตัวเราไม่มีเนี่ยความทุกข์ที่เกิดขึ้นมันไปอยู่ที่ไหนความทุกข์มันจะไปอยู่ที่ขันธะความทุกข์มันจะไม่มาที่เราหรอกเพราะมันไม่มีเราจะรองรับขันธนะนี่นเราจะมาฝึกนะจนกระทั่งถอนความเห็นผิดว่ามีเราได้ดันั้นเบื่องต้นนะ เมื่อต้นจะถอนความเห็นผิดว่ามีเราได้เป็นพระโสดาบันเบื้องปลายจะถอนความยึดถือได้ไม่ยึดถือในกายไม่ยึดถือในจิตเมื่อจิตไม่เข้าไปยึดถือจิตก็ไม่มีภาระทุกวันนี้จิตใจเรามีภาระมากเพราะเที่ยวยึดถืออย่างเรายึดในร่างกายนะร่างกายแก่เราจิตใจก็กรุ้มใช่ไหมเป็นภาระทางใจละหนักใจร่างกายไม่สบายก็หนักใจร่างกายจะตายก็หนักใจจะต้องพลดัพลดพรากจากคนที่เรารักก็หนักใจ จะต้องเจอคนที่ไม่รักก็หนักใจมีเรื่องเป็นภาระทางใจทั้งสิ้นเลยขันทั้งห้านี่เป็นภาระะเนี่ยถ้าเรามาสามารถฝึกได้อยู่กระทั่งขันก็อยู่ส่วนขันจิตก็อยู่ส่วนจิตนะไม่เกี่ยวกันไม่หนักใจละต่อไปขันจะแก่ไม่ใช่เราแก่ขันจะเจ็บไม่ใช่เราเจ็บขันจะตายไม่ใช่เราตายจะพลัดพรากคนนี้ก็จะไปคนนี้ก็จะมาใจมันไม่เป็นวันไหวไปด้วยนะเนี่ยเราจะค่อยๆฝึกแต่ว่านั้นมันขั้นพระรหันต์แล้วล่ะ ขั้นเบื้องต้นเนได้โสดาเนี่ยเอาแค่ว่าให้เห็นความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรคําว่าตัวตนตัวตนเนี่ยถ้าพูดให้เต็มที่นะคือมีตัวตนถาวรเรามีตัวตนเป็นความรู้สึกแวบแวบแวบนะมันจิตมันปรุงให้นมาก็มีถ้าไม่ปรุงไม่มีหรอกแต่ถ้าเป็นพระโสดาบัตแล้วมันจะไม่ปรุงถ้าเป็นปุถุชนอยู่เดี๋ยวมันก็มีเราขึ้นมาเดี๋ยวมันก็มีเราแล้วเราไม่ได้อยู่ทั้งวันนะ ปุงให้มาเป็นคราวๆแล้วก็หายไปเด็กเกิดใหม่มีสักยัตทิฏฐิไหมสักยัตทิฏฐิคือเห็นความเห็นว่าเป็นเราไม่มีไม่มีไม่ใช่ว่าจิตทุกดวงต้องมีสักยัตทิฏฐิมีความเห็นว่าเป็นเรากระทั่งสังโยชน์นี่นะมันยุบฝุดขึ้นมาเป็นคราวๆเลยะความรู้สึกเป็นเราก็ฝุดเป็นคราวๆ ค, ความลังเลสงสัยในพระัฒนาใยเกิดตลอดเวลาไหมไม่คิดไม่สงสัยหรอกแล้วความ รูปคลำในการปฏิบัติทํายังไงจะดีทําไงจะดีทําไงจะปฏิบัติมันก็คิดขึ้นมานะตอนที่คิดถึงจะมีถ้าไม่คิดมันก็ไม่มีหรอกนะเพราะงะั้นกิเลสนะ่ะไม่ได้มีตลอดเวลานะสังโยชน์ก็ไม่ได้มีตลอดเวลามันผุดขึ้นมาเป็นคราวๆตอนที่จิตมันปลุงขึ้นมาเราจะมาเรียนก็ถ้าเห็นว่าไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่มีตัวตนธาบอมมีของที่เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นถ้าเมื่อไหร่เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นก็ดับทุกสิ่งเกิดทุกสิ่งดับ เห็นอย่างนั้นแหละเรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมล้วเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วละ่ะหังจากนั้นอ่ะก เ, เป็นพระโสดาบันแล้วเป็นพระแล้วใจเป็นพระสงฆ์นะเขา้าถึงพระธรรมเข้าถึงพระพุทธเจ้าแล้วเพระฉะนต้องมาฝึกนะวิธีเจริญปัญญาทํำยังไงวิธีเจริญปัญญาไม่ใช่นั่งคิดเอาปัญญาในทางาศาสนาพุทธเนี่ยไม่ใช่ปัญญาจากการอ่านไม่ใช่ปัญญาจากการฟังถึงไปอ่านพระไตรปิฎกให้หมดนะก็ไม่ได้เกิดปัญญาของเราเอง อย่างเราไปอ่านพระเจดผีดก อ, <CA> อันนั้นมันปัญญาของพระพุทธเจ้าใช่ไหมปัญญาของพระสาวกรุ่นเก่าๆที่ท่านเก่งจริงๆนะหรือเราฟังครูบาอาจารย์เทศมันปัญญาของครูบาอาจารย์มันไม่ใช่ปัญญาของเราเรายังไม่ได้เห็นจริงอย่างนั้นเลยอย่างครูบาอาจารย์บอกว่าร่างกายนี้มีแต่ทุกข์ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อยเราเห็นไหมเราไม่เห็นเราเห็นว่าร่างกายเนี่ยทุกข์บ้างสุขบ้างนะในขณะครูบาอาจารย์พูดร่างกายนี้มีแต่ทุกข์ล้วนๆมีแต่ทุกข์มากกว่ทุกข์น้อย นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปมีแต่ทุกข์เท่านั้นเลยเราไม่เห็นหรอกนี่มันปัญญาของครูบาอาจารย์มันก็ไม่ใช่ของเรานะมันล้างกิเลสเราไม่ได้หรอกนั้นปัญญาจากการอ่านจากการฟังเนี่ยมันคือไปก๊อปปี้ปัญญาของคนอื่นเข้ามานะปัญญาจากการคิดเนี่ยเชื่อไม่ได้เลยมันคิดช่วยๆพวกเราอะพวกเรามันมีกิเลสก็คิดตามกิเลสไปเรื่อยๆคิดที่ไหรก็มีเราทุกทีแหลนะเพราะมันคุ้นชินที่จะมีเรา นั้นปัญญาจากการอ่านจากการฟังนะเรียกว่าสุดตามียปัญญาเชื่อไม่ได้มันปัญญาของท่านผู้อื่นจินตามียปัญญายิ่งเชื่อไม่ได้หนักใหญ่มันคิดเอาเองคิดถูกหรือคิดผิดก็ไม่รู้คิดตามกิเลสไปวันวันหนึ่งเท่านั้นเองคิดเข้าข้างตัวเองไปเรื่อยๆปัญญาที่แท้จริงเนี่ยที่จะพาให้เราพ้นทุกข์ได้นะเรียกว่าภาวนามยปัญญาคําว่าภาวนาอย่าไปแปลว่าบริกรรมนะไม่ใช่ภาวนามยาปัญญาคือพุโทโธพุโทโธพุโทโธไม่ใช่นะ ราวนาเพราะว่าเจริญเจริญอะไรเจริญสติมีสติระลึกรู้ความจริงของร่างกายมีสติระลึกรู้ความจริงของจิตใจไปสติเนี่ยจริงๆรู้สภาวะรู้ร่างกายรู้จิตใจนะแล้วก็มีใจตั้งมั่นเป็นแค่คนดูเพราะสติระลึกรู้ร่างกายมีใจตั้งมั่นเป็นคนดูใจมีสมาธิถอนตัวออกมาเป็นคนดูมันจะเกิดปัญญาปัญญาเป็นตัวเข้าใจสติเป็นตัวรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้น ปัญญาเป็นตัวเข้าใจในความเป็นไตรลักษณ์ของสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นนะนั้นทําหน้าที่ไม่เหมือนกันนั่นสติจะรู้สภาวะนะปัญญาจะรู้ความจริงนะจะทํางานควบกันแต่จะปัญญาจะเกิดได้นี่จิตต้องตั้งมั่นเป็นคนดูดังนั้นวิธีที่เราจะปฏิบัติให้เกิดปัญญาเนี่ยเราต้องมาฝึกสองอย่างหนึ่งมีสติฝึกให้มากเลยเพื่อว่าร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวรู้สึกรู้ทันสภาวะ ทำไมต้องรู้สภาวะเพราะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นแสดงอยู่ในรูปธรรมนามธรรมไม่ไปแสดงอยู่ในความคิดหรอกของจริงอยู่ที่กายที่ใจต้องดูลงที่กายที่ใจสติรู้กายรู้ใจไปนะส่วนอีกตัวหนึ่งที่ต้องฝึกคือสมาธิสมา ธ, มาธิตัวนี้ไม่ใช่สงบนะอย่ามักง่ายมากเลยพวกเราชอบคิดว่าสมาธิแปลว่าสงบสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นสมาธิไม่สงบรู้จักไม่ตั้งมั่น อย่างนี้ไม่เรียกตั้งมั่นใช่ไหมงอกแะแกลงอกระแง่แล้วดูใจของเราสิีงอกระแง่ไหมเดี๋ยวก็วิ่งไปที่ตาเดี๋ยวก็วิ่งไปที่หูเห็นไหมใจเราแกว่งอย่างนี้ตลอดเวลาเลยไม่มีสมาธิเลยและสมาธิแท้ๆเนี่ยถ้าพูดภาษาไทยที่ง่ายที่สุดเลยนะมันคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวรู้จักไหมไม่ลืมเนือ้อลืมตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแต่ไม่ได้อยู่แบบเคร่งเครียด อย่างนี้ไม่ใช่เลยน ะ, ะที่ผิดมีสองอันนะอันหนึ่งมันเผลอลืมตัวเองอันที่สองมันเคร่งเครียดอยู่กับตัวเองนะมันรู้สึกตัวสบายๆจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเนี้ยเป็นคําที่ดีที่สุดเลยนะคําำเนี้ยรู้จักไหมจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเด็กยุคใหม่อาจจะแปลไม่ออกนะเป็นยังไงว่าอยู่กับเนื้อกับตัวนะเหมือนหลวงพ่อนะฟังภาษาเด็กรุ่นนี้ฟังไม่ค่อยออกนะเขาบอกหลวงพ่อก็ดีใจมากเลยเจอหลวงพ่อตัวเป็นๆเราเอาหลอ เราไปเจอหลวงพ่อตัวตายๆที่ไหน <c oughs> ดีใจวันนี้เจอตัวเป็นๆภาษามันก็พิลึกพิลึกนะแต่ว่าภาษาเก่าๆ เ, เด็กก็เริ่มไม่รู้จักละภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวครับเนี้ยใช่ไหมอยู่กับตัวเองรู้สึกเป็นสบา ย, บายนั่นแหละคือภาวะของคาว่าสมาธิจิตไม่งอนแงน่นลืมตัวเอง ไ, ลไหลไปเวลาที่เราหลงไปดูรู้สึกไหมจิตใจไม่ได้อยู่ที่ตัวเอง เวลาเราหลงไปฟังจิตใจไม่อยู่กับตัวเองเวลาเราหลงไปคิดจิตใจก็ไม่อยู่กับตัวเองเวลาเราดูท้องผ่องยบจิตใจก็ไม่อยู่กับตัวเองนะจิตใจไปอยู่ที่ท้องเวลาเดินจงกรมจิตใจไปอยู่ที่เท้าจิตใจไม่ได้อยู่กับตัวเองจิตใจอยู่กับตัวเองเป็นไหมรู้สึกตัวสบายๆงั้นเราค่อยมาฝึกนะวิธีที่จะได้สมาธิชนิดที่จิตใจอยู่กับตัวเองนใช้วิธีเอาสติเนี่ยรู้ทันจิตใจที่มันลืมตัวเอง มันลืมตัวเองส่วนใหญ่มันจะหลงไปคิดมันหลงไปดูมันก็ลืมตัวเองหลงไปฟังก็ลืมตัวเองลงไปคิดก็ลืมตัวเองส่วนใหญ่มันหลงไปคิดหลับตาอยู่เนี่ยไม่หลงไปทางตาละแต่มันหลงไปคิดได้อุดหูอยู่นะไม่หลงทางหูแต่มันก็หลงไปคิดได้ใช่ไหมไอ้จิตที่หลงไปคิดเนี่ยเกิดบ่อยที่สุดเลยเราคอยรู้ทันจิตที่หลงไปคิด ถ้าเรารู้ทันจิตที่หลงไปคิดนะทันทีที่รู้ว่าจิตหลงไปคิดโดยที่ไม่เจตนาจะรู้สติรู้ทันจิตที่หลงไปคิดปุ๊บสมาธิเกิดอัตโนมัติเลยจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวอัตโนมัติเลยเมื่อจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะสติมันจะระลึกได้ว่าร่างกายเคลื<ถ> mm ่อนไหวนี่ยสติมันจะระลึกได้จิตใจมันอยู่กับตัวเองสบายๆมันจะเห็นเลยร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่ตัวเราหรอกนะจะไม่ใช่เราทันที ความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นสติรู้ทันว่ามีสุขมีทุกข์เกิดขึ้นจิตใจรู้เนือ้อรู้ตัวสบายๆอยู่มันจะเห็นเลยว่าความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของที่แปลกปลอมเข้ามาหรือโลภกรธลงก็เหมือนกันสติรู้ทันว่ามีโลภกดลงเกิดขึ้นนะใจอยู่กับเนื้อกับตัวสบายๆเห็นความโลภความโกรธความหลงเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามานะแปลกปลอมเข้ามาในใจเรามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปเนี่ยอย่างเนี้ถึงจะเกิดปัญญาไม่จะเห็นเลย สุขทุกมาแล้วก็ไปดีชั่วมาแล้วก็ไปอะไรมาแล้วก็ไปสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับหมดเลยแล้วก็ต้องไม่ไปรักษาตัวรู้ไว้นะตัวรู้เองก็ต้องให้เกิดดับด้วยไม่ใช่ตรักษาตัวรู้ให้เที่ยงถ้าตัวรู้เที่ยงก็ยังไม่เห็นไตรลักษณ์ทั้งหมดหรอกสงวนตัวหนึ่งไว้เที่ยงใช้ไม่ได้ต้องเห็นเลยทุกตัวสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับแล้ตัวรู้เกิดได้ตัวรู้ก็ยังดับได้อีกต้องไม่ให้เที่ยงด้วยนะถ้าให้ตัวรู้เที่ยงใช้ไม่ได้หรอก นี่คือหลักของการเดินปัญญานะมีสติรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นรู้ตามความเป็นจริงมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงรู้ได้จิตที่ตั้งมั่นรู้ได้จิตที่เป็นกลางรู้ได้จิตที่อยู่กับเนื้อกับตัวรู้สบายๆรู้แล้วไม่เข้าไปแทรกแซงถ้าฝึกได้7วัน7เดือน7ปีควรจะได้โสดาบันควรจะควรจะแต่ไม่ใช่ว่าวันหนึ่งฝึก 2-3 สานาทีนะแล้วก็นับว่าครบ7ปีแล้ว รวมตลอดเจ็ปียังไม่ได้ชั่วโมงหนึ่งเลยอย่างนั้นนะน้องทวนนะเราบอกไม่ได้ธรรมะสักทีไอ้อย่างนั้นมันหลอกลวงแล้วนะต้องศึกษาเกี่ยวกับตัวเองคอยเรียนรู้ความจริงของตัวเองไปดูรู้สึกไหมจิตใจไม่อยู่กับเนกับตัวละเนี่ยอย่างนุ้ยที่ใส่แว่นนั่นนะะจิตมันหนีไปแล้ว <นะ S 1> หันไปดูเขาเห็นไหมใจเราวิ่งไปที่เขาแล้วลืมตัวเองแล้วเห็นไหมเนี่ยรู้ทันอย่างเนี้ยพอรู้ทันเนี้ยจิตจะอยู่กับตัวเองถ้าจิตอยู่กับตัวเองนะ ไม่ว่าอะไรเกิดในร่างกายไม่ว่าอะไรจเกิดในจิตใจมันจะเห็นแต่ไม่ใช่เราหรอกร่างกายที่เคลื่อนไหวไม่ใช่เราสุขทุกข์ดีชั่วที่เคลื่อนไหวเข้ามาในใจก็ไม่ใช่เราเป็นแต่ของที่มาแล้วไปมาแล้วไปมี CD ดีแจกไหมคุณหมอ CD หลวงพ่อเอามาไหมมีใช่ไหมเออดีดเอาไปฟังนะไปฟังฟังแล้วฟังอีกให้โอกาสกับชีวิตตัวเองบ้างนะวันๆเราให้โอกาสแกอ ย, อย่างอื่นไปหมดแล้วแล้วชีวิตจะได้ดีขึ้น จะได้มีความสุขงั้นเราก็จะจมความทุกข์ไปจนวันตายเรื่องอะไรเราต้องมีชีวิตแบบเหมือนที่ชาวบ้านเขามีกันเกิดมาใช่ไหมเด็กๆก็ไปเรียนหนังสือโตขึ้นไปทํางานไปมีครอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแล้วก็ตายชีวิตอย่างนั้นร่อยคุณค่าเกินไปนะเอาเวลามาพัฒนาจิตใจของเราบ้างการพัฒนาจิตใจไม่กินเวลาทำมาหากินนะงั้นถ้าใครขี้เกียจทำมาหากินแล้วบอกว่าจะปฏิบัติธรรมไอ้ผู้นี้พ่อนำไม่เป็นหรอ แต่ามาหากินนั่นแหละก็ภาวนาไปปฏิบัติไปนะมีสติไปเรื่อยๆอย่างสมมว่าเราทอดกล้วยแขกขายนะเราทอดกล้วยแขกก็เห็นร่างกายมันทอดกล้วยแขกไปเอามือไปจุ่มลงกระทะก็แล้วกันนะอเห็นร่างกายมันทำงานไปโวยทอดไว้หน้ากินเฉยหอมนะเรายังอยากกินอยากกินรู้ว่าอยากเนะี่ยใส่ถาดไว้เต็มเลยไม่มีใครมาซื้อเลยมีแต่เมืองวันนะโวทอดไว้อย่างดีเลยนะลงทุนไว้ไม่มีใครมาเลยใจเราเนี่ยฝ่อเลย ใจเราเหี่ยวแห้งเลยเรารู้ว่าเหี่ยวแห้งเนี่ยปฏิบัตินะเราเห็นเลยใจมันสดชื่นใจมันเหี่ยวแห้งใจมันดีใจใจมันเสียใจนี่แหละการปฏิบัติแค่ทอดกวยแข่ก็ทำํำได้นะจะกวาดบ้านจะตูบ้านทําได้เท่านั้นแหละงั้นถ้าใครอ้างว่าไม่มีเวลาปฏิบัติมันภาวานาไม่เป็นหรอกภาวานาเป็นนะําเวลาเยอะแยะไปเอาแล้วพอสมควรเกี่ยวเวลานะมีคนส่งกันบ้านจีคนสิ นมัสการขุณเจ้าขอโอกาสเรียนถามจริงๆที่จะถามเมื่อกี้ได้ฟังทำก็นะจริงๆก็รู้เรื่องแล้วก็ไม่ค่อยมีสตไม่ต้องถามอะหงพ่อถามเองได้รู้สึกไหมจิตใจเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันรู้ครับนะสังเกตไม่ว่ากายกับใจเนี่เป็นคนละอันกันรู้ครับนะขันมันแยกแล้วนะส่งไม้ไป เมื่อขันมันแยกได้แล้วไม่เปลียนอะไรใะเห็นขันมันทำงานไปเรื่อยๆไม่มีเราตรงไหนเลยมีแต่เกิดแล้วก็ดับเพื่อแค่นั้นเองดูไปจนวันหนึ่งมันพอนะมันยังไม่พอตอนนี้เขายมมีจุดดอนนิดหนึ่งคิดเยอะไปคนกว่าเยอะไปปัญญา้ํำไปนัใจเย็นๆนิดหนึ่งดูสภาวะอย่างที่มันเป็นไปเรื่อยๆแล้วมันเข้าใจไม่งั้นจะคิดนา จุดอ่อนคือคิดนําอยู่อ่ะผ่านไปหลวงพ่อรีบเกจากบ้านอดี๋ยจะรีบกลับไม่ใช่ไหมกกมาไกล <c oughs> คือเรื่องสติอที่เป็นสติตัวจริงเนี่ยมันเกิดโดยไม่เจตนาออันนี้ก็มีแล้วเวลาจิตไหลแล้วรู้ตอนที่เป็นจิตตั้งมั่นโดยจริงก็แป๊บหนึ่งนะครับ <c oughs> อย่างเนี้ยแน่นไปใชจมันมีน้ําหนักมันจะอึดอัดนะอย่างเนี้ยจงใจมากไปอย่างนี้ตึงนะตึงเกินไป สบายสบายหน่อยชินชิน <Yeah. S 1> <laughs> ง่ายๆ่ยหน่อยอ่ะครับผมอย่างคือที่ผมสงสัยคือว่าตอนที่จิตไหลไปแล้วรู้และจิตตั้งมั่นผมก็เคยผ่านแต่ว่าไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ค่อยบ่อยเท่าไหร่คราวนี้ในระหว่างที่อย่างสมมติเมื่อกี้มันแยกขันแล้วมันตั้งมั่นนิด น, นึงมนเมื่อกี้ตอนที่หลวงพ่อเทศแล้วในระหว่างเนี้ยไปเรื่อยๆกว่าที่ตติตัวจริงจะเกิดอีกครั้งหนึ่ง หรือว่าจิตตั้งมันจะเกิดอีกครั้งหนึ่งในระหว่างนี้ก็ไม่รู้ว่าเกิดเมื่อไหร่ถ้าผมใช้วิธีเพ่งไปถูกไหมครับจะใช้ทําไงครับนะถ้าเพ่งมันก็เพ่งอยู่นั่นแหละเนี่ยมันเคยชินแต่เบื้องต้นเนี่ยตั้งใจไว้นิดนึงได้ดีกว่าย่อนไปเลยระหว่างตึงกับย่อนนะตึงดีกว่าย่อนเพราะย่อนเนี่ยไปเอาบายตึงไปสุขติแต่ไม่ไปนิพพานแต่ว่าพอเราตึงอยู่เราตั้งใจคอยดูแต่เรารู้ว่าตั้งใจนะเพรามันคลายตัวแล้วมันจะพอดี ที่พอดีมีไม่บ่อยหรอกคือแล้วผมมีปัญหาเนี่ยเวลาผมทําในระหว่างรอสติตัวจริงรอบใหม่เนี่ยอย่ารอรอเนี่ยมันรอบอ๋อครับบาะบางครั้งก็รู้ทันครับ <c oughs> นั น, นะมันรอบแล้วแต่บางครั้งมันก็เผลอไปก็ไม่ไปเป็นไรผมก็ไม่ไม่เคยช่วงหลังนไม่ไม่ระวังเลยไม่ได้จ้องระวังว่าจะไม่ให้เผลอนะออครับเราก็ปล่อยมันไปเลยถตรงเนี้เผลอก็เผลอสิ ต้องอย่างนี้ใจกล้าข้าเผยก็เผยซิวะต้องอย่างนี้นะอม <c oughs> ีพูดในใจแบบนั้นมือนัน <c oughs> นั่นแหละเราต้องนั่งเลงหน่อยหนครับคราวนี้ขอให้ปัญหาหนึ่งก็คือว่ า, เ, าเวลาเราใกล้จะตายอ่ะผมไม่รู้ลงหน้าเมือ่อไหร่จะตายนี่นะครับอแต่แล้วถ้าสมมติ ว, ว่ามาตายแบบเฉียรพันก็นแล้วไปก็ <c oughs> คงทําอะไรมากไม่ได้อย่ากลัวเวลาที่เราฝึกอย่างลูกสิทธ์หลวงพ่อนะครับ เวลาอุบิเหตุอะไรขึ้นมานะอุบัติเหตุปุ๊บปั๊บขึ้นมานะจิตดีดผางออกมาเลยนะเป็นทุกคนเลยเพราะว่ามันเคยฝึกของมันมาแล้วแสดงว่าที่หลวงพ่อบอกนี่หมายความว่าเดี๋ยวพอผมถึงเวลาผมตายจริงอ่ะ อ, ะ, อะไรอ่ะสติธรรมะที่เคยมัมนจะมาเองมันจะมาเองใช่ไหมแต่เวลาที่มันจะตายไม่ตายจะตายไม่ตายนะนมันจิตมันไม่มาเนี่ยครับแต่พอมันรู้ว่าจะตายจริงนะมันดีดผางเลยนี่อย่างเวลาผมป่วยหนักๆเนี่ยผมก็ใช้วิธี คิดช่วยว่าเออไม่ไม่เป็นไรช่างหัวมันอย่างเงี้ยออย่างนั้นนั่นเป็นการปลอบใจ <laughs> ไ, ดได้สมถะใช <laughs> ่รู้สึกว่ามันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่มันน่าจะมีไอ้ <laughs> ตอนนั้นยังไม่ตายถ้าจะตายจริงอ่ะจิตมันจะดีดออกมาเลยมันจะมาเป็นผู้รู้เลยแล้วมันเห็นร่างกายตายจิตนั้นไม่หวั่นไหวเลยนะ <laughs> สัมาษณ์มาหลายคนแล้วมาเล่าให้หลวงพ่อฟังอยู่เรื่อยๆเล <laughs> ถึงจุดนั้นนะบางคนต้องคอยปลอบหมอนะ <laughs> เรามาหัวใจกําลังจะวายแล้วหมอก็ตื่นเต้นสัน่นใจเย็นใจเย็นอนะไรอย่างนี้นะคือคือผมเนี่เวลาเวลาคิดเรื่องเรื่องว่าตัวตนเนีะ่ะคือในแง่าการคิดอน่ยผมก็โอเคไม่เอาโยมมันทิ้งไปออครับโ oh, <God. S 2> ง่โ ง, งไว้คือมันรู้ตัวว่ามันคิดนะแล้วก็ปล่อยได<ม>้แหละไม่ได้เรื่องเรากมันช้าตรงที่คิดนี่แหละครับ <God. S 2> คิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้รู้อย่างที่มันเป็ น, แ ต, น, ปนแต่อยากกลัวนะเวลามันจะตายเนะี่ยชีมันตีหนามาเอง พอจะใช่ไหมที่นั่นคือผมกลัวเนะี่ยเรียนรู้ไม่ทำว่ากําลังกลัวไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้กลัวอะไรมากหรอก ร, ร, นะอรู้ว่ายังไม่ตายจริงนะรู้ว่ายังไม่ตายจริงนะมันจะรีบภาวนาแมาจะรีบตักตวงนาทีสุดท้ายอะไรเงี้ย <c oughs> ถ้าเวลาจะตายจริงนะเป็นอีกแบบหนึง่ง <c oughs> แล้วอย่างบางคนกลัวนะว่าถ้าตอนเจ็บมากมเนี่ยเดี๋ยวตั้งสติไม่ได้อย่ากลัวเวลาเราจะตายจริงๆนะมันจะเริ่มด้วยกระบวนการมันจะตัดความรู้สึกทางร่างกายออกก่อนนะ เพราะร่างกายเจ็บแค่ไหนไม่เจ็บแล้วตอนนั้นนะแล้วมันจะเกิดนิมิตขึ้นตรงที่นิมิตเกิดขึ้นมาเนี่ยที่นิมิตถึงกรรมที่ได้ทําในอดีตนิมิตถึงที่ที่จะไปในอนาคตเลยนะถ้านิมิตดีเกิดขึ้นจิตดีพอใจจับก็ไปเกิดนิมิตร้ายเกิดขึ้นจิตกลัวรู้ว่ากลัวความกลัวขาดสะบั้นนะไม่จับนแสดงว่าถ้าถ้าเข้าในช่วงนี้จะตายจริงนั่คือเพื่อเอก็ไม่มีทางทำได้ใช่หมไม่มีไม่มีไม่มีเจตนา ตอนนั้นไม่มีเจตนานะตอนจะตายวิธีนั่นนะเพราะถ้าเจตนาได้ทุกคนคงเจตนาไปดีๆหมดแล <c oughs> ้วขอบคุณครับเหมือนตอนฝันอนะเจตนาไหมใครยังฝันร้ายอยู่บ้างในห้องเราเนี้ยมีใครยังฝันร้ายยกมือให้หลวงพ่อ ด, ดูซิยังมีโอกาสไปอบายนะยัมีโอกาสอยู่กลับนวัส ก, การครับรู้ตัวว่า พอเข้าใจว่าภาวนาได้ได้ถูกมากครับถูกจะขอให้หลวงพ่อชี้จุดอ่อนช่วงนี้ให้ดูหน่อยครับภาวนาไปนะใช้ได้อยู่จุดรอนไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกของคุณจุดอนยังมีเพ่งแล้วก็คิดนำนะของคุณไม่ค่อยมีอะไรละระวังฟุ้งซ่านเท่านั้นแหละจุดดอนเที่ฟุ้งซ่านะก่าวนอสการครับ ประสบการณ์รอบแรกนะครับฟังทฤษีมาหลายปีแล้วใช้ได้ปฏิบัติอยู่ในโนี้ถูกถูกนะกายกับใจมันก็โคโรนกัน ค, ความสุขความทุกข์ความดีความชั่วน้ามาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปครับฝึกอย่างนั้นแหละถึงวันหนึ่งจิตมันก็ฉลาดขึ้นมามันจะรู้ว่าทุกอย่างที่เกิดล้นแต่ดับทั้งสิน้นไม่มีตัวเราที่แท้จริงครับถูกเราละมีข้อนะครัอนทนั่งสมาธิเนี่ยบางทีมันเครียดเครียดที่เรา เคยฟังอา จ, รจารย์ว่าบอกว่าให้ยิ้มอะไรนี้นะแต่การที่ยิ้มนี่ถือเป็นการแทรกแซงครับให้ได้เป็นลูกเล่นเท่านั้นเองเป็นการฝึกให้รู้ทันนะหรู้สภาวะที่ร่างกายเคลื่อนไหวที่จิตใจเคลื่อนไหวนะแล้วส่วนจะนั่งสมาธิให้สงบเนี่ยนะเคล็ดลับมันอยู่ที่ความสุขทําใจให้สบายนะจิตก็จะสงบอย่างรวดเร็วเลยเวลาเวลาเีนะ่ยังใจเคร่งเครียดมากไปอู้เลือกมาก ที่หลวงพ่อบอกให้ยิ้มเป็นแค่อุบายเท่านั้นอุบายไม่ให้เคร่งเครียดครันะงั้นถ้าเรายิ้มแต่ว่าเราโลภนะยิ้มล้ยิมย้มแล้อย่างเงี้ยไม่สงบหรอ ก, อกต้องยิ้มให้ใจสบายใจมีความสุขปุ๊บสมาธิเกิดเลยครั บ, บกลับขอบคุณพระอาจารย์สมาธิไม่ใช่เรื่องยากหรอกถ้ารู้หลักนะง่ายกลับนวัต ก, การเจ้าค่ะคือ <laughs> ในชีวิตประจำวันก็เออเวลาจะฝึกนะคไม่ไม่ใช่เวลาฝึกคือบอกคอยมองจิตตัวไวอะค่ะแต่บางครั้งก็เหมือนกับว่าเราหลงไปจนแบบมีสภาวะเกิดแบบอารมณ์โกรธขึ้นมามันก็โกรธขึ้นมาวูบหนึ่งแล้วมันก็ไม่เป็นไรไม่โกรธให้อภัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็แบบคิดไหมคิดไหมมันมันเหมือนวูบขึ้นมาแบบ เมื่อกี้โกรธตอนนี้มันให้อภัยไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็จะแบบเกิดความรู้สึกเฉยๆความเฉยก็มาอีกเงี้ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันเกิดดับเกิดดับแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันมันคิดไปเองหรือว่ามันเห็นเองมันมันไม่ได้คิดไเองนะแต่ว่ามันช้าไปนิดนึงค่อยๆหัดดูไปเดี๋ยวสติมันไวกว่านี้อันนี้มันมันดูมันยืดยืดไปนิดนึงใช่ค่ะบางบางทีส่วนใหญ่จะแบบไม่แน่ใจพอแบบ สงสัยก็แบบอย่างขนาดนี้รู้สึกไหมสงสัยเจ้าค่ะเนี่ยเรารู้ทันในใจเราขมวดขมวดนะแลก็รู้รู้สบายสบายอย่างนี้เพ่งอย่าเพ่งนะแค่รู้เฉยเรู้แต่แต่นิดเดียวแค่รู้ว่ามันเป็นยังไงเห็นตอนนี้ใจใจมันมอยากพูดแล้วเมื่อกี้นี้รู้สึกไหมเจ้าค่ะแค่นั้นหน่แค่รู้สึกเห็นไหมความอยากพูดฝุดแล้วมันก็ดับรู้แค่นั้นเองสบายสบายอย่างนี้ถึงจปัจจุบันนะ บางบางทีมันคงไม่ทันใช่ไหมคะไม่ทันมันดับไปแล้วเราไปทวนทีหลังนมันโกรธแล้วเราก็ไปพิจารณานิดหนึ่งนะมันหายอะไรเงี้ยตอนที่เราอภัยให้แล้วน่าอะไรเงี้ยมันมีดีเลย์ไทม์มันยังไม่ปัจจุบันมันยืดไปนิดหนึ่งแต่แต่ว่าไอการที่เห็นเกิดดับก็ไม่ใช่ไม่ใช่ปัญญาที่เกิดขึ้นจริงใช่ไหมก็เป็นเป็นคิดหรือว่ามันจริงๆเกิดดับมันมีอยู่แล้วนะะ หน้าที่เราก็แค่ไปเห็นอย่างที่มันมีไม่ใช่เราทำให้มันเกิดดับนะอย่างความโกรธเกิดขึ้นเราไม่ทันเห็นมันดับนะตอนที่มันดับมัาไม่เห็นเห็นตอนที่มันดับแล้วหรือออกไหมมันไปทวนดวูตอนนี้อาภัยแล้วอะไรนะตอนที่ความโกรธดับวับต่อหน้ายัางไม่เห็นอย่างเมื่อกี้เห็นความสงสัยใช่ไหมความอยากพูด่ะความอยากพูดปุดขึ้นมาเราเห็นมันดับวับไปต่อหน้าเลย ดูให้มันไวๆดูสบายๆนะอย่าเป็นอัตโนมัติขึ้นมาเร็วปั๊บดับไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วมันดับไปพักหนึ่งแล้วเราไปตรวจตอนนี้ไม่โกรธแล้วอะไรย่างเงี้ยแต่แต่มันมันก็ต่อเนื่องในในในขณะนั้นที่ว่าไอ้ความโกรธเลยแบบเลยแบบมันค่อนแบบไม่โกรธไปมีความรู้สึกว่าตัวเองมันเฉยเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าจะพอรู้สึกอะไรกับ แต่ใช้ลมหายใจแล้วก็แบบจะสงบเลยนั่นแหละนั่นแหละติดตัวนี้เยอะไปหน่อยมันจะน้อมมันทิ้งไม่ดูสภาวะหรอกแต่มันน้อมเข้าหาความสงบเลยแกไม่ต้องแก้หรอกแค่คอยรู้ทันความรู้สึกที่ผุดขึ้นมาเท่านถ้าความรู้สึกผุดขึ้นมาก็รู้ดับไปก็รู้อย่าแต่อย่าไปรอดูนะถ้าจ้องอยู่อย่างนี้มจะไม่มีไอ้โผลให้ดูเลยให้ความรู้สึกเกิดแล้วค่อยรู้สบายๆของยอมมันติดเพ่งไปนิดนึง ติดสมถนะนั่นแหละเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะมันในเดินปัญญาไม่กระฉับกเฉงมุติดสมถะกลับนมัสมการพระอาจารย์ค่ะจะขอถามพระอาจารย์เกี่ยวกับสภาวธรรมในการนั่งสมาธิอะค่ะ <ừ> um. คือพอนั่งสมาธิเนี่ย เรารู้ว่าจิตเรารู้ว่าเรานั่งจิตสบายๆนะคะพอรู้ปั๊บเนี่ยมันก็จะเหมือนจะมีสภาวะว่าเราเข้าสมาธิเราก็<ม>รู้ว่าเราเข้าสมาธิ<ม>แล้วตัวเราก็จะย่อลง<ม>ย่อลงโดยที่เราก็ดูเฉยๆ<ม>ไม่ได้ไป น, นั่นอะไรเขาก็ย่อลงย่อลงแล้วก็<ม>จะเห็นมือของเราหน้าก็จะก้มนิดนึงจะเป็น<ม><ม>ทุกครั้งแล้วก็เป็นทีในระยะนี้อีกลักษณะหนึ่งก็คือถ้าเรานั่งแบบว่าจิตยังไม่สบายแต่ว่าเหมือนเรารวบจิตนะคะพระอาจารย์เรารวบจิตแล้วจิตจะนิ่งคือคือตรงนั้นเนี่ย พอรู้จิตปุ๊บมันก็จะเข้าสมาธิลึกค่ะมันจงใจใช่พอก็จะลองดูทีนี้พอเราเข้าเข้าลึกไปแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าหน้าเราจะหายมือเราจะหายเราก็รู้ว่ามันก็ลึกเข้าไปทีนี้เสร็จแล้วพอสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะถอนหายใจเพื่อเหมือนกับเด้งออกมาพอเด้งมาปุ๊บแต่ยังไม่รู้จากสมาธิพระอาจารย์ตัวก็จะย่อลงแต่ตอนนั้นมันย่อไม่ได้ตอนที่หน้าหายมือหายย่อไม่ได้พอออกมาปุ๊บเนี่ยก็จะย่อลงแล้วก็จะเห็นมือนะเราอีกะคะ่ะหน้าก็ไม่มีแล้วมันจะย่อได้ไง เพรนี้พอพอยกก็จะเห็นมือทีนี้มือเนี่ยมันจะเป็นภาพมัวไม่ชัดเหมือนหนังขาวดําเดี๋ยวชัดเดี๋ยวไม่ชัดแล้วบางครั้งเนี่ยมันจะเห็นเหมือนดําแต่ไม่ไม่ได้เป็นทุกครั้งนะคะเนี่นเป็นเรื่องของสมาธินะค่ะามาฝึกให้ได้ปัญญาต่ออย่าทําแต่สมาธิถ้าเราสมาธิดีอย่างนี้นะให้ดู ก, กายรู้สึกไหมร่างกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูอย่างนี้มากๆนะดูกายให้เยอะไว ก็จิตเหมือนว่าเราดูตลอดเขาจะทําเหมือนเหมือนดูหนังอะค่ะเราไม่คิดเลยเลยคนนั้นจิตเฉยเฉยมือนว่าดูเขาทำอะไรก็ทําไปเราดูเฉยเจิตก็อยาให้เฉยแล้วทําไงคะจิตให้เป็นธรรมชาติธรรมดาธรรมชาติก็เฉยไม่เหมือนกันไม่เหมือนหรือคะจิตปกตินะมันรู้ว่าตื่นเบิกบานมันไม่ได้เฉยเฉยไม่ได้แข็งแข็งทื่อๆนะตอนนั้นต้องเบิกบานแต่ความรู้สึกเราก็คือเราเฉยความรู้สึกบางครั้งนไม่เบิกบานมีจิตผู้รู้ไหมผู้รู้ว่าเรากำลังตื่นเต้นค่ะตอนนี้นะ ตัวนี้ไม่ใช่ผู้รู้ใช่ไหมตัวนี้เป็นผู้เพ่ง<า>มันไปนกดจิตอยู่ดูออกมามมันไม่ใช่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแต่ในสมาธิเรารู้ว่าเราได้นในสมาธิเคอแยกได้<า>นะในสมาธิก็ทําไปไม่ว่าอะไร<า>สมาธิทําได้ก็ดีแต่เมื่อออกจากสมาธิแล้วให้ดูกายให้เห็นร่างกายมันทํางานให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราหรอกนะให้ดูอย่างนี้เรื่อย หรือจะคิดนําว่ามันไม่ใช่เราก็ได้คิดแ้่ถ้าในขณะสมาธิเราจะเดินปัญญาอย่างไรคะพระอาจารย์เ จ, จเริญปัญญาในสมาธิเนี่ยต้องชํานาญสองอย่างนะหนึ่งชำนาญในฌานเข้าได้รวดเร็วตามใจชอบชํานาญในการทรงอยู่แล้วชนานาญในการดูจิตนะชํานาญในการดูกายเนี่ยไปเข้าฌานเนี่ยนะแล้วไปเจริญปัญญาไม่ได้ต้องออกมาเข้าได้เงาะงายต้องออกมาแล้วมาดู แต่ต<อ>ถ้ า, ออาจะเดินปัญญาในฌานเนี่ยทำได้เฉพาะพวกดูจิตไปจะดูองค์ฌานเกิดดับดูปีติเกิดแล้วปีติดับอะไรเงี้ยตอนที่เดินปัญญา เ, เราไม่ได้ใช้ฟวามคิดใช่ใหไหมาอาจารย์เราดูดูแล้วก็พิจารณาออของยอมนะไปดูกายให้มากนะ ขอโยมเนี่ยพอทําสมาธิมากนะพอหลุดจากสมาธิจะฟุง้งซ่านถูกต้องค่ะบางคร<ด>ั้งมีนนโทสะโทสะแรงมากเลยค่ะโทสะแรงจรงิงๆรู้<อ>ตัวแต่ว่าก็พิจารณาให้สงบนั่นแหละสงบได้พอหมดแรงพิจารณาก็โทสะขึ้นมากกว่าเก่าอีกเมืนะ่อจะทําอยู่แค่นั้นคนที่เดินสมาธิแล้วติดกับสมาธิมจะเป็นอย่างนี้แหละสงบแล้วก็ฟุง้งซ่านสงบแล้วก็ฟุง้งซ่านวนเวียนไปทั้งชาติเราต้องตัดวงจร น, นี้ออกไปด้วยการมาพิจารณกาย ดูร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของที่เป็นของเที่ยงของที่มีความทุกข์บีบคั้นไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นแค่ก้อนธาตุดูไปทีละส่วนผมคนเล็บฝันหนังเนี่ยไล่ขึ้นไล่ลงีไปอย่างนี้นะถึงจะใช้ได้ไม่งั้นที่ทําอยู่เป็นสมาธิทั้งนั้นแหละใช่ใช่แล้วจะร้ายด้วยปกติสมาธิจะร้ายมากกว่าคนปกตินะก็อยากจะให้พระอาจารย์แก้ไขแนะนําให้ก็ว่าปุณจัญญ์อ่ะต่อไป คนนี้กลัวมานานแล้วอ่ะกล่าวในวัสกานหลวงพ่อค่ะคือโยมมีโอกาสได้ฟังซีดีมาหลายปีแล้วแต่ว่ามิคเคส่งกันบ้านค่ะเป็นครั้งแรกไม่ใช้ได้นะใจไม่ใกลกระใจมันก็แยกได้ความรู้สึกมันก็แยกไปถนาดดูกายหรือดูจิตถนัดอะไรโยมก็ไม่รู้ว่าตัวเองถนัดอะไรรู้ความรู้สึกตัวเองบ่อยไหมฟูงบ่อยมากเลยค่ะหลวงพ่อ งั้นดูไก่ได้ก็ดูมันดูจิตได้ก็ดู <laughs> ถ้ามันพุ่งเก่งเอาได้อันไหนเอาอันนั้นแหละแล้วที่ที่โยมปฏิบัติอยู่นี้ใช่ได้ใช่ได้อยู่ใช่ไหมคะหลวงพอ่อได้รู้สึกไหมใจเราไม่เหมือนเดิมค่ะใจเราถูกแล้วไป <ใจ S 2> ทําอีกไหมค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อแต่จิตไม่เข้าบ้านนะจิตกระจายออกข้างนอกตอนเนี้ยรู้สึกไหมน้ำธรรมสถานค่ะวันที่สิบ อาเมษาที่ผ่านมานะคะตอนแรกก็มีโอกาสว่าจะได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดนะคะแล้วมีปัญหาในเรื่องของสังขารทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาลในช่วงนั้นก็อธิษฐานจิตว่าเราจะภาวนาในโรงพยาบาลค่ะแล้วที่ประทับใจที่สุดก็คือว่าสามารถแยกกายแยกใจได้ชัดมากมจิตทรงสมาธิไม่ต้องพึ่งยาแก้ปวดหลังผ่าตัดเลยเจ้าค่ะ ขอพดีนะเนี่ยมันเป็นการาพิสูจน์นะเวลาเราภาวนาเราแยกขันได้เนะมีคนมาเล่าหลวงพ่อนะเป็นมะเร็งอ่ะหรือหมอเองก็แปลกใจมันไม่ต้องให้หมอฟินเท่าไหร่ให้ยาน้น้อยมากเลยเพร า, าเขาแยกขันแล้วเขาไม่เดือดร้อนจ้าค่ะก็ะะเรียกว่าสามารถทรงสมาธิได้นานสี่สิบแปดชั่วโมงแต่ว่าเกิดดับกิดดับจะเห็นบ่อยถูกอย่างนั้นดีกว่าทรงอยู่ตลอดนะค่ะอย่างนั้นแหละเกิดปัญญา มีคำถามในเรื่องสภาวะจิตเจ้าคะ่ะก็คือว่าเวลาจิตทรงสมาธิตัวรู้ภาวะรู้นี่จะทรงนานเท่ากับภาวะที่จิตเกิดสมาธิอันนั้นถูกต้องหรือเปล่าเจ้าค่ะแล้วตอนอที่เร่งมันนะตัวรู้เองอะ่ะมันมีก็มีมันกลายเป็นตัวคิดก็ไม่ว่ามัน เ, เป็นตัวรู้ก็รู้เป็นตัวคิดก็รู้ เ, เราไม่รักษาน ะ, ะก็จะมีความรู้สึก ลังเลสงสัยอยากจะทดลองลองของนะเจ้าค่ะเว е ลาเกิดสมาธิว่าณนะตอนนั้นเป็นสภาวะจิตที่ทรงสมาธิจริงๆให้รู้ทันให้รู้ทันว่าอยากลองของเจ้าค่ะรูล้ลองปัจจุบันไปเจ้าค่ะไปฝืนเนอาไปธรรมะจะช่วยเราได้นะเวลาที่ชีวิตเรามีวิกฤตนะเจ็บป่วยหรือพลัดพรากหรือจะตายอะไรอย่างนี้ธรามะจะช่วยเราเอายอมว่ามา อาบนมาสการหลวงพ่อค่ะก็ปฏิบัติมาก็จะขอคําชี้แนะจากหลวงพ่อนะคะดูออกไหมใจเราสว่างหรือใจเรามืดบางครั้งก็สว่างบางครั้งก็มืดเออถูกใหญ่างนี้ใช้ได้นะถ้าบอกสว่างตลอดเนี่ยไม่ได้เรื่องหรอกติดสมาธิเห็นไหมใจเราเปลี่ยนทั้งวันเห็นไหมแต่ละวันเนี้ใจเราไม่เหมือนกันคเห็นไหมเช้าสายบ่ายเย็นใจก็ไม่เหมือนค่ะ ไปัวอย่างนี้แหละดูอย่างนี้นะคะใช่กราบนมมส ก, การค่ะหนูยังปฏิบัติอยู่ในทางหรือเปล่าค่ะตอนนี้เพ่งไหมนิดนึงค่ะแตอนนี้เพ่งก็รู้นะจิตอยู่ข้างในหรือจิตอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกเออให้รู้ทันนะ <c oughs> ไม่ใช่คิดตอบนะรู้มองสภาวะได้ไหม <c oughs> ถ้ารู้สภาวะก็ใช้ได้คะ <c oughs> อย่างเนี้ยจิตวิ่งมาอยู่หาหลวงพ่อแล้ว <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> วิ่งเรือ้อปันก็รู้รู้ทันจิตที่ไหลไปไหลมาจิตสุขก็รู้จิตทุกก็รู้นะจิตดีจิตชั่วรู้อย่างที่มันเป็น <c oughs> ที่หนูฝึกเนียใช้ได้นะหนูรู้สึกไหมจิตเราไม่เหมือนเดิมม <c oughs> ันสว่างสบายไปนะ <c oughs> ฝึกอีกไป <c oughs> ไม่ได้ฝึกเอาความสุขนะไม่ได้ฝึกเอาความสงบไม่ได้ฝึกเอาดีแต่สุขสงบดีเป็นแค่ของแถมของจริงยังมีมากกว่านั้นคือเราฝึกให้เห็นความจริง เราเวลาหนูนั่งสมาธิเราสับ ป, ประงกอะคะ่ะคือเห็นตัวเองสับ ป, ประงกนี่คือยังมีสติอยู่ยังม<ช>ีอยู่ใช้ได้ค <c oughs> ถ้าสับ ป, ประงกไปเห็นตาหลงแล้วแล้วก็วหายไปหลายชั่วโมงขึ้นแอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะะกราบนมรสรการหลวงพ่อนะคะส่งกันบ้านครั้งแรกนะคะก็ฟังจนทำหลวงพ่อว่าประมาณหกเดือนนะคะกราบขอทำะโอ้เดินทําได้อย่างนี้ก็เก่งแล้ว เห็นกิเลสตัวไหนบ่อยโทสะค่ะใช่ถูกถ้าโทสะขึ้นมาให้รู้นะต่อไปขัดใจเล็กๆน้อยๆก็เห็นมีทั้งวันเลยค่ะอนนั้นแหละดีเห็นไหมว่ามันมาเองค่ะไม่ได้เชิญมันมาเองใช่นะต่อไปคอยดูนะโกรธก็โกรธเองหายโกรธก็หายเองเราเป็นแค่คนดูเราจะรู้เลยไม่ใช่เราหรอกนะอย่าไปบังคับจิตให้เหมือนตอนนี้นะจานี้บังคับจิต่ะ ปล่อยให้เป็นธรรมชาติตามรู้ความเปลี่ยนแปลงไปใครฟุ้งซ่านบ้างยกมือหลวพอรู้สึกกระแสแห่งความฟุ้งซ่านเต็มห้องแล้วตอนนี้เนี่ยหัดรู้นะหัดรู้ไปทุกคนรู้สึกไหมใจสดชื่นสดชื่นก็รู้นะรู้สึกว่ามันยังฟุ้งฟุ้งยาวอะคกต้องหาเครื่องอยู่ให้จิตอยู่ ไปอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจแล้วสวดมนต์หายว<น>เวลาสมมติจะใช้ลมหายใจะะอ่ะค่ะวิธีการนี้เป็นร<อ><อ>่างกายหายใจยใ ไ, ไในทําซิอย่าไปกดจิตให้แรงอย่างนั้นจิตต้องสบายยิ้มหวานกันเนี่ยเราใช้ใช้ใช้จิตอย่างนี้เห็นร่างกายหายใจด้วยจิตที่ธรรมดาเหมือนกับรู้ร่างกายหายใจอะพยายามจะทําอย่างไนเออนะฝึกไป อ้าวคนสุดท้ายตื่นเต้นนานกรรมนสการค่ะหลวงพ่อใช่ได้แล้วล่ะหนูค่ะ <c oughs> คือเป็นครั้งแรกที่ส่งกันบ้านไม่เคยคิดว่าชีวิตจะกล้าส่งเพราะว่าฟังซีดีหลวงพ่อมาห้าเดือนนะแล้วก็ใช่ได้แล้วละ่ะรู้สึกไหมชีวิตมันเปลี่ยนรู้สึกธรรมะของพระเจ้าน่ะอัศจรรย์ญญนะถ้าเราลงมือทำเราจะเปลี่ยนตัวเองในเวลาสั้น อย่างคนที่ไม่ปฏิบัตินะกี่สิบปีก็เหมือนเดิมหรือไม่ก็แย่กว่าเดิมแต่เราลงมือปฏิบัตินะใจเราน่ะค่อยสว่างสวัยเบาสบายมีความสุขเห็นความจริงของชีวิตมากขึ้นทุกสั้นลงทุกน้อยลงนะไปฝึกต่อไป ท, ที่หายใจถูกแล้วไ้ยคะหายใจสิโออย่างนี้แรงไปลืมตาสิเห็นไหมใจซึมมานิดหนึ่งล้โมหะแทรกตื่นเต้นมาก หายใจใหายใจถอนใจแรงๆทีอย่างนี้นเลยนี่จะให้มันคลายออก อ, อย่าไปเครียดนี่นะเครียดนี่ไม่ดีแต่ที่ฝึกอยู่น่ะใช้ได้นะตอนนี้จะโชว์ให้หลวงพ่อดูมันเลยเพี้ยนไปหมดใช่ช่มันก็จะติดนิดนึงจะขอรบกวนถามปัญหาหลวงพ่อคือว่าเวลานั่งสมาธิก็ลองสังเกตตัวเองว่า มันจะมีสามช่วงช่วงแรกมันจะฟุ้งซ่านกับมีตัวรู้ก็เท่าๆกา 50, 50. ันห้าสิบห้าสิบไปอีกช่วงก็ตัวรู้ก็จะมากหน่อยแปดสิบยี่สิบจนมาถึงช่วงหนึ่งเนี่ยที่มันก็จะรู้สึกว่ามันตั้งมั่นนิ่งๆไม่ไม่หวั่นไหวแล้วก็ลมหลายใจจะละเอียดเนี่ยแต่จากนั้นเนี่ยหลวงพ่อบอกถ้านิ่งไปมันจะเป็นสมถะไม่เป็นไรมันเป็นสมถะก็พักมันไปก็พักอยู่ในสมาธินั่นแหละแต่พอออกมาแล้วนะมาดูร่างกายให้เห็นว่าร่างกายเนี้ไม่ใช่ตัวเรานะออกมาหมายถึงว่า ออกจากสมาธิออกจากไม่ให้มันออกเองอย่าไปดึงออกมานะปวดหัวเาั้นเวลานั่งสมาธิจิตรวมมาให้รวมไปได้พักผ่อนแต่ว่าพอจิตมันถอนออกจากสมาธิแล้วเนี่ยรีบมาดูร่างกายเห็นเลยเมื่อกี้ร่างกายไม่มีตอนนี้ร่างกายมีขึ้นมาละร่างกายกับจิตเนี่ยมันคนละอันกันค่อยๆดูไปที่หลวงพ่อไว้ช่วยคิดทุกวันนี้ก็ช่วยคิดนะว่ากายไม่ใช่ของเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ ก็พูดไปแบบนี้ดูเวทนาก็ทําไปแบบนี้เนี่อเนี่ยสอนมันไปแบบนี้จนกว่าจะออกครบสมมติชั่วโมงหนึ่งก็คิดไปแบบนี้เรื่อยๆไปได้ไม่ใช่คิดแต่เมื่อเราทําความสงบไปแล้วนะเราคิดเนี่ยเพื่อไม่ให้จิตติดสงบเท่านั้นเองแต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านอยู่อย่าไปคิดนะเอถ้าจิตฟุ้งซ่านก็ทําความสงบเพิ่ไปเราก็สลับกันไปคิดนั่งสงบนั่งไปเรื่อยๆแล้วก็แล้วแต่บุญบารมีจะแยกได้หรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องมันแยกอยู่แล้วขันน่ะแต่หนูยังไม่รู้สึกว่าแยกนะเออ เรียกว่าดีแล้วไม่รู้ oh. ตอนนี้มันแยกขันอยู่แล้วก oh. oh. oh. ลวงพ่าจะบอกให้ถ้าเราเข้าสมาธินะจกนกระทั่งเหมือนโลกกระธาตุหายไปนะเหมือนร่างกายหายไปเนะหลือแต่ความรู้สึกตัวอยู่นิดหนึ่งนะพอเราออกจากสมาธิมาเนี่ยมันแยกขันอัตโนมัติเลยมันจะเห็นว่าเมื่อกี้ร่างกายมันไม่มีไม่ใช่เราหรอกร่างกายที่นั่งหายใจอยู่มันไม่ใช่เราหรอก แต่ตอนนี้ร่างกายมันมีขึ้นมามันร่างกายกับจิตเนี่ยคนละอันกันแต่ตอนนั่งสมาธิเหลือแต่จิตอันเดียวนะถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นมันจะแยกอัตโนมัติเก็กะ ข, ขอบคุณค่บท่นหมดแล้วละใครฟุ้งซ่านบ้างรู้สึกทุกคนมองใหม่ใช่ไหมใมาอยู่ไหนอะไรเงีย ใ, ใจเราไหลไปรู้นะคอยรู้ทันตัวเอง ขอโอกาสกล่าวคำสาธุการเมื่อพระคุณเจ้าเทศจบนะคะขอทุกท่านสำรวมจิตใจนะคะสาธุพุทธสุโภธิตาสาธุความตรัสรู้ดีจริงของพระพุทธเจ้าสาธุธรรมสุธรรมตาสาธุความเป็นธรรมดีจริงของพระธรรมสาธุสังคสุปฏิปติสาธุความปฏิบัติดีจริงของพระสงฆ์อโหพุทโธ พระพุทธเจ้าน่าอัศจรรย์จริงอโหธรรมโมพระธรรมเจ้าน่าอัศจรรย์จริงอโหสังโคพระสงฆ์เจ้าน่าอัศจรรย์จริงอาหังพุทธันจะธรมมันจะสังคันจะสระนังคาตาข้าพเจ้าถึงแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกกุปาสิกัดตังเทเสสิง พิกุสังคสสะส ม, มุขาข้าพเจ้าขอแสดงตนว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาในที่จำเพาะหน้าพระภิกษุสงฆ์เอตังเมสรณังเขมังเอตังสรณมุตตะมังพระรัตนตรัยนี้เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าอันกเกษมพระรัตนตรัยนี้เป็นที่พึ่งอันสูงสุดเอตังสรณมาคัมมะ สัพพะทุกขาปมุจเจเยเพราะอาศัยพระรัตนตรัยนี้เป็นที่พึ่งข้าพเจ้าพึงพนทุกทั้งปวงยะถาพ ร, รังจเจรยยาหังสัมมาสัมพุทธศาาสนังข้าพเจ้าจับประพฤติซึ่งพระธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมควรแก่กำลังทุกขะนิสรณะเสวะภาคินิสังอนาคเต ขอข้าพเจ้าพึงมีส่วนแห่งพระนิพพานอันเป็นที่ยกตนออกจากทุกข์ในอนาคตการอันใกล้นี้เทินสาธุสดีนะ<า>ที่นี่<า>ขอนิพพานในอนาคตใกล้ๆบางทีนะ่ทําบุญแนละ้ว ข, อ, ข อ, อนิพพานในอนาคตการนานไกลผมไม่ได้เรื่องเลยเอาละเดี๋ยวหลวงพ่อไปแล้วนะ น้องกายวาจาใจกราบพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์พร้อมกันค่ะอัญชลีวันทาอภิวา